คือเราก็มานึกถึงว่าผู้ที่มีปฏิสัมพิธาเป็นเบื้องหลังกับไม่มีเนี่ยแตกต่างกันคือการกล่าวธรรมของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยแทงเข้าถึงธรรมธาตุเคยได้รู้ไหมพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมธาตุเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานพระองค์มีสัพพัญยุตยานทีนี้สัพพัญยุตยา น, นนั้นต์เกิดจากอะไรก็เกิดจากการแทงตลอดสัจจะทั้งสี่ประการอันไหน อย่างอัฏฐปฏิสัมพิทากับธรรมปฏิสัมพิทาก็คือแทงตลอดอริยสัจนั่นเองทุกสัจกับนิโรธจะเป็นอัฏ ฐ, ฐนนธรรมะคือสมุทัยกับมัคปัญญาที่แทงตลอดทุกขกับนิโรธเป็นอัฏ ฐ, ฐปฏิสัมพิทาปัญญาที่แทงตลอดสมุทัยกับมัคเป็นธรรมปฏิสัมพิทาพระองค์เนี่ยแทงตลอดธรรมะแทงตลอด สัจจะสประการพระองค์งทราบซึ้งเข้าใจในสัจจะ4ประการอย่างลึกซึง้งพระองค์งก็เอามาแสดงโดยที่ไม่ขัดเนี่ยนะไม่ขัดเลยคําพูที่แสดงออกมานั้นเรียกว่าเป็นนิรุติปฏิสัมพิทาอันถ้อยคําของผู้ที่มีนิรุติปฏิสัมพิทาจะไม่ให้ขัดกับอัตถกับธรรมะอะไรเลยมันเมื่อพระองค์งแสดงอย่างนี้เนี่ยนะผู้ที่ฟังก็อย่างปุกุสาติก็บรรลุ อนาคามีผลใช่ไหมตอนจบในตอนท้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความสามารถดุดอาจารย์ให้ศิลปะด้วยภาษานั้นเพราะเป็นผู้ฉลาดในภาษาอื่นที่ที่ยกตัวอย่างเหมือนว่าอาจารย์ที่ฉลาดหลายๆภาษาเนี่ยนะจากสิทธ์มาจากหลายๆแห่งด้วยกันมาจากหลายๆกลุ่มหลายๆภาษาเนี่ยอาจารย์เมื่อรู้หลายภาษาเนี่ยพูดอีกภาษาหนึ่งเขาเข้าใจเลยพูดอีกภาษาหนึ่งอธิบายยาวมากเนี่ยนะ อย่างอย่างสมมุตินนะภาษาเหนือเนี่ยเขาก็มีรหัสคนเหนือเข้าใจง่ายมากเลยนะฟังคํานั้นแล้วซาบซึ้งถึงอกถึงใจเลยคนภาคกลางฟังแล้วก็อุเบกขาคําของภาษาภาคกลางเนี่ยนะเขาพูดเขาซาบซึ้งของเขามากคนภาคเหนือฟังแล้วก็เฉยๆคําของภาษาอีสานเขาก็เหมือนกันนะคำบางคํานะถ้าด่าเป็นภาษาอื่นนะเขาไม่กโกรธละแต่ห้ามพูดเป็นภาษาเขาเด็ดขาดนะซึ่งความหมายมันเหมือนกันอะ นั้นเกี่ยวกับเรื่องโวหารบัญญัตินี่แตกต่างกันมากความเข้าใจในหลายๆเรื่องก็เหมือนกันคนที่รู้หลายภาษาแล้วพยายามแปลกลับแปลกลับมาแล้วพยายามเข้าถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดอย่างไงกับคํานั้นๆเนี่ยนะในธาตวิพังคสูตรนั้นธาตหกของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงชื่อว่ามีธาตหกของใครสรุปธาตหกของใครของเราก่อนเนี่ยนะอย่าเพิ่ง ละอะไรไปให้หมดเลยนะเดี๋ยวจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะเมียธิบายว่าท่านย่อมจำบุคคลได้ว่าบุรุษบุคคล น, นั้นนะ่ะมีธาตุหกเนี่ยนะก็ในที่นี้โดยปรมัติ์ก็มีเพียงธาตุเท่านั้นก็คำว่าปุริโสบุรุษเนี่ยนะบุรุษเนี่ยหรือคนเนี่ยเป็นบัญญัติส่วนธาตุหกเป็นปรมัติ์ อันนี้ก็เป็นคำขยายว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหหรือว่าคนเรานี่มีธาตุน่าหละพันธะวิเคราะห์ตามเออคนเรามีธาตุหกพอวิเคราะห์ไปแล้วก็เห็นธาตุหกจริงๆอ่ะนะก็ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงกลับมาดูบาลีในหน้าส3 6ร้อยข้อที่พระผู้มีพระภาคขยายต่อไปว่า ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนพิกษุคนเรานี้มีธาตุหกนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิกษุธาตุนี้มีหกอย่างเนี่ยนะตอนแรกบอกบุคคลก่อนใช่ไหมอันนี้ละบุคคลไปเลยเหลือแต่ธาตุซึ่งเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงก็ปัตวิธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนพิษุ คนเรานี่มีธาตุหกนั่นเราอาศัยธาตุดังนี้กล่าวแล้วถ้าเราถ้าฟังธรรมแล้วนึกตามเนี่ยนะเมื่อกระจายออกไปเนี่ยนะในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยหรือที่เรียกว่าเราเนี่ยก็มีอยู่ธาตุหกประการทนนั้นนะปฐวีอาโปเตโชวาโยช่องว่างระหว่างธาตุทั้งสประการเรียกว่าอากาศแล้วก็มีนามธรรมที่เป็นตัวรู้ก็เรียกว่าวิญญาณซึ่งเขาฟังเลยว่าตัวรู้นะถ้าแบบพูดแบบไทยๆตัวแข็ง ตัวเอืบอาบหรือเกาะกลุมตัวแพทย์ตัวเผาแล้วก็ตัวเคลื่อนตัวช่องว่างแล้วก็ตัวรู้นะถ้าพูดแบบภาษาไทยไทยเราเลยนะแต่ว่าไม่รู้ฟังแล้วมันจะเข้าใจหรือเปล่าข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนพิกษุคนเรานี้มีแดนสัมผัส6หรือภาษายตนา6เนี่ยนะแต่ละคนก็มีภาษายตนา6กไหมนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือจกักขุ นะแดนสัมผัสคือจักสุหรือว่าบอ่อเกิดบอ่อที่ตั้งแห่งภาษะคือตาที่ตั้งแห่งภาษะคือหูที่ตั้งแห่งภาษะคือจมูกที่ตั้งแห่งภาษะคือลิ้นที่ตั้งแห่งภาษะ ค, คือกายที่ตั้งแห่งภาษาคือใจแดนสัมผัสไหมเพราะว่าสัมผัสนะมันเกิดจากสิ่ง6อย่างนี่แหละถ้าไม่มี6อย่างจากมีภาษามาแต่ไหนดังนั้นภาษาตัวเนี้มันไหลออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนแรกนี่ขยาย ขยายที่เรียกว่าบุคคลโดยธาตุหอย่างที่สองจำแนกบุคคลแบบภาษายตนาหก็เป็นการทำยาตะปริญญาสองวิธีการด้วยกันใช่อันนี้คือยาตะปริญญานี่ยไคำเหล่านี้ก็เพื่อเป็นการจำแนกปฏิเสธสัตว์อยู่แล้วก็เหลือแต่ธาตุหเหลือแต่ภาษายตนาหก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุนคนเรานี้มีความหน่วงนึกของใจสิบแดนั่น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคําว่าความหน่วงนึกของใจนี้เรียกว่าเป็นมโนปวิจาร์เนี่ยนะมโนปวิจาร์18ว่าบุคคลเห็นรูปด้วยจกักษุแล้วย่อมหน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบคาก็ตรงนั้นเขาเขาาพิมพ์ขยันพิมพ์มากอนะเกินไปหน่อยก็เอาออกบ้างฟังเสียงด้วยโสต ด, ดมกลิ่นด้วย านะลิมรถด้วยชิวหาถูกต้องโพตภะด้วยกายรู้ธรรมรมด้วยใจเนี่ยนะย่อมหน่วงนึกธรรมรมเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกธรรมรมเป็นที่ตั้งแห่งโทมนันัหน่วงนึกธรรมรมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขานี้เป็นการหน่วงนึกโสมนัสหกโทมนัฐหกอุเบขา6 ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้มีความหน่วงนึกของใจคือมโนปวิจารสิบนั่นเราอาศัยความหน่วงนึกนี้กล่าวแล้วเนี่ยนะอาศัยมโนปวิจารกล่าวแล้วมโนปวิจารสิบอ่านะพอเข้าแปลออกมาเราก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจเลยใช่ไหมมโนวิจารณ์นี่ตรงนี้แปลว่าความหน่วงนึกของใจถ้าพูดวิจารณที่ใดวิต ก, ก็พูดแล้ว น, นะมโนปวิจารก็คือวิตกวิจาร์ของจิตน่ะสิบแปดมันได้ยังไงอ่ะ น, นะเห็นรูปด้วยจกักษุใช่ไหมอ่ะ น, นะหลังจากเห็นรูปด้วยจักสุเนี่ยใจก็มาหน่วงนึกอ่ะ น, นะมโนปวิจารเนี่ยอาศัยรูปที่ที่เคยเห็นหรือกําลังเห็นอยู่ก็ตามใจก็มาหน่วงนึกกับรูปอันนี้เป็นแล้วก็เกิด โสมนัสเกิดโทมานัสเกิดอุเบกขานี่นะก็อย่างไงใช่ไหมคืออาศัยรูปที่เคยเห็นนึกแล้วก็ดีใจนึกถึงแล้วก็เสียใจนึกถึงแล้วก็เฉยเฉยอ่นะดังที่พูดบ่อยๆอุปมามากๆก็คือคมว่ามีลูกเห็นไหมตอนที่นึกถึงลูกตอนมันสุขภาพดีเยี่ยมดีใจ นึกถึงตอนเขาป่วยก็เสียใจบางเวลาก็นึกแล้วก็เฉยๆซึ่งคุณนองเป็นอย่างนั้นไหมนึกถึงลูกบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็ไม่สบายใจยนะเรียกว่าเสียใจก็คือไม่สบายใจเช่นตอนเขาป่วยเป็นต้นบางครั้งนึกแล้วก็ธรรมดาเนี่ยนะอันนี้เรื่อรูปแต่คําว่ารูปหมายถึงแม้กระทั่งรูปตัวเองก็ตามใช่ไหมร่างกายตัวเองเนี่ยนึกถึงตอนความไม่มีโรคตอนมันแข็งแรงก็ ดีใจไหมนึกถึงตอนมันป่วยกระสอบ ก, กระแสะก็เสียใจบางครั้งนึกแล้วก็เฉยๆอย่างเง้ยนะรูปทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกรูปที่ไหนก็ตามเถอะที่รูปที่เกิดจากสมุทฐาน4ประการเนี่ย น, นึกแล้วจะบางครั้งก็ดีใจใจและอุเบกขาแล้วเสียงลนะ่ะเสียงที่รู้ด้วยหูก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมมัฑโทมณฑและอุเบกขานีนะก็คําพูดเนี่ยนะก็ เสียงของคนพูดเนี่ยนะที่ที่ใครพูดก็ตามแม้กระทั่งคนเดียวกันเนี่ยนะเาพูดไหมบางครั้งเราฟังแล้วก็โสมนัดใช่บางครั้งฟังแล้วก็โทมนัทบางครั้งฟังแล้วก็อุเบกขาเหมือนกับในคำภีที่ที่พูดถึงว่าไม่ได้ยินเสียงเนี่ยแทบจะนอนไม่หลับเลยอย่างเงี้ยอยากฟังมากตอนหลังได้อยู่ด้วยกันเขาด่าทุกวันเลยเนี่ยนะโทมนัทมากไปพลนตีอะ นะตอนแรกอยากฟังมากเลยนะโทรคุยกันประจําเลยไม่ได้ยินแล้วเหงามากตอนหลังถูกด่าทุกวันเนี่ยนะก็บอกอุ้ยลำคาญจริงๆเลยเมื่อไหร่จะเลิกพูตตี้อย่งี้นะตอนหลังก็ฟังฟังไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันจบจ บ, จบไปอย่างนั้นพวกเสียงทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้นะกลิ่นก็เหมือนการรถก็เหมือนการโพธิภพก็เหมือนกันแม้กระทั่งธรรมรมณ์ที่เรานึกถึงนะเรื่องบางเรื่องนึกแล้วก็ดีใจใช่ไหมบางครั้งนึกแล้วก็เสียใจบางทีนึกแล้วก็ ฉยอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีนึกถึงตัวบ้านแล้วก็ดีใจบางครั้งนึกแล้วก็เสียใจบางครั้งนึกแล้วก็เฉยๆฉนั้นสิ่งเดียวกันเนี่ย ine, ine, ine, เดี๋ยวก็โสมนัดบ้างเดี๋ยวก็โทรมนัดบ้างเดี๋ยวก็อุเบกขาบ้างพูดอย่างนี้เนี่ยต้องการอธิบายว่าคนเนี่ยไม่ต่างจากสิ่งที่แปรปรวนประจำอ่ะนะมีปกติที่แปรปรวนประจำใช่เดี๋ยวก็ดี er ok ok ok ใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยๆ ถ้าอย่างนี้เรียกว่ามโนปวิจารสิบแปดเนี่ยนะก็ที่มันเป็นสิบแปดเพราะอารมณ์หกนั่นเองอารมณ์หกเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา3นึกแล้วเดี๋ยวก็ยิ้มบ้างเดี๋ยวก็เสียใจบ้างเดี๋ยวก็เบคขาบ้างเนี่ยนะ ก, นะก็ที่แบบบุคคลทั่วๆไปเห็นๆ เ, เลยก็เกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็นึกถึงเรื่องอดีตใช่ก็อดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะโดยมากนะเพราะสิ่งที่เป็นอนาคตมันไม่ค่อยแน่นอน หรืออย่างนี้ก็ได้อดีตอนาคตปัจจุบันนี้ก็ได้อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยตอนนึกถึงอดีตโทรมนัทเลยนึกถึงปัจจุบันโสมนัทอนาคตอีกโทรมนัทอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าอนาคตอาจจะอุเบกขาก็ เวลาเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะในในในบางคนเนี่ยพอเห็นการปรับนะันึกถึงอดีตปั๊บจะเศร้าเลยนะสมมติเห็นปัจจุบันก็จริงอยู่คิดเรื่องปัจจุบันถ้าเผลอแวบไปคิดถึง อ, อันนี้รูปนะยกตัวอย่างว่ารูปรูปเนี่ยถ้านึกถ้านึกถึงแค่ปัจจุบันเฉยเฉยจะจักโสมนัสมากถ้านึกถึงอดีตเมื่อไหร่ก็เศร้าเนี่ยนะพอคิดถึงอนาคตเอไม่แน่เดี๋ยวก็ดีใจบ้างเดี๋ยวก็เสียใจบ้างเดี๋ยวก็ โสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างก็ในในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะคำอารูปอันนี้ก็คนน่ะนะพูดง่ายๆบางคนเนี่ยนะพอเห็นถ้าเห็นแค่ปัจจุบันเนี่ยโสมนัสพอย้อนหลังไปคิดเรื่องอดีตของเขาปั๊บโทมนัสในบางคนเนี่ยถ้านึกถึงอนาคตเนี่ยคงจะดีขึ้นนะนะคาดว่าถ้าดีขึ้นถ้าแนวโน้มมาดูว่าดีขึ้นโสมนัสใช่ไหมถ้าดูแนวโน้มว่าเลวลง ความช่ความดีมันเลวลดลดลดลดออย่างี้ก็โทมานัดใช่ไหมหรือถ้ า, าทรงทรงอยู่งั้นก็เป็นอุเบกขาพวกนี้จ ะ, ะเวทนานุปัสนาเนี่ยดีเยี่ยมถ้าวิถ้าดูตามนี้นะว่าคนเรานี่มีธาตุ 6. ทธาตุก็แยกเป็นปัทวีธาตุเท่าไหร่ปัทวีธาตุ0อาโปธาตุ2เตโชธาต สวายโยธาหกเนี่ยนะทีนี้ธาตุเหล่านี้เนี่ยถ้าช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุสภาพที่รู้อารมณ์พวกนี้ก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นการแสดงนามกับรูปแบบย่อมากคือธาตุหเนี่ยนะทีนี้เมื่อธาตุหเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งภสษายตนาหกเพราะว่าภาษายตนาหกเนี่ยมีธาตุเป็น เป็นเหตุใกล้อย่างเช่นจักขู่ธาตุหรือจักขวายตนะเนี่ยนะจักขูสัมผัสเนี่ยน ะ, ะโดยเฉพาะตัวจักขู่นี้มีธาตุเป็นเป็นปัจจัยนะเป็นเหตุใกล้เพราะธาตุสี่เป็นเหตุใกล้ของจักขู่ของโสตคานะชิวหากายะส่วนส่วนที่เป็นนามธรรมก็เป็นมนโนใช่ไหมทีนี้จักขู่อันนี้เนี่ย พอได้เห็นรูปที่ดี น, นะเห็นรูปที่ดีอะไรเกิดโสมนัสเกิดเห็นรูปที่เลวโทมนัสก็เกิดถ้าเห็นรูปปานกลางทั่วไปก็อุเบกขาก็เกิดเพราะใ น, นอุเบกขาตรงนี้เนี่ยเรียกว่าโสมนัสโทมนัสอุเบกขานี่เรียกว่ามโนปวิจาร์เก็ไล่มาตามทวารเนี่ยทวาระสาม พวกนี้เรียกว่าแสดงเป็นรูปกรรมฐานในสายเนี่ยนะาธาตุภาษายตนา6พวกนี้เน้นไปที่รูปกรรมฐานมโนปวิจารสิบนี้เป็นอรูปกรรมฐานเป็นนามใช่ไหมก็เป็นการแสดงนามธรรมาว่าพวกจกักรโค่ไอคำว่าดีเลวปานกลางนี้เป็นเรื่อเรื่อชื่อของอะไรชื่อของสีนะเป็นชื่อของรูปพันรู ป, ปารมเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัโหมณเต อุเบกขา